ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหายรัลสีพถุ่มกำมังเสนอสันเลขสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยการขัดเกลากิเลสเป็นการประรบของพระมหาจุนท่าเทระและมากราบทูลต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า พระวิมพากยาวจึงรับสั่งว่าจุนทาทิฏฐิเหล่านี้มีหลายประการประฟอบด้วยอตตะวาท ะ, ะวาทะว่าเป็นตนหรือเป็นของตนหรือมีในตนหรืออยู่ในตนม้างก็เรียกว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขา เช่แนแนวของสักกายทิจิที่ปโสดบัญร่าได้ถ้าละความเห็นว่าเราเป็นรูปรูปเป็นเราเรามีในรูปรูปมีในเราตลอดถึงเวทนาธนาสังขารวิญญาณก็เรียกว่าสักกายทิจิยีสประการ อันนี้ก็เป็นพวกกลุ่มของอัตวาตอัตาวาธะแต่ก็ยังมีอยู่อีกเป็นนั้นมากเป็นในพวกทิถิหกสิบสองซึ่งได้เคยพูดมาแล้วตอนที่ว่าด้วยพรมชาลสุปประกอบด้วยโลกกวัฏธาบ้างเช่นอันดีกายกะทิถิสิบเนี่ยมันประกอบด้วยโลกกวาฏธ โลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีพอันนั้นสริระอันนั้นชีพอันอื่นสริระอันอื่นสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิอดอีย่อมเป็นอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดดีก็ไม่ใช่ไม่เกิดดีก็ไม่ใช่เพราวาทาเหล่านี้ต่อไปมันก็แตกกิ่งก้านสาขาออกไปเปนน็นมาก มันมีพื้นฐานมาจากเอ ว, วิชาคือความไม่รู้แล้วสั่งว่าเนื่องอยู่ในอารมณ์ใดแล้วคุ้งขึ้นในอารมณ์ใดมันเนื่องอยู่ในอารมณ์อะไรก็เวลาสัมผัสอารมณ์โลกอีกนั่นแหละตออารมณ์หลักมันก็มีอยู่หกประการ คือรูปเสียงกลินรถโคตรพัท ธ, าธมารุทีนี้ในกรณีที่ได้ยินเสียงยกตัวอย่างว่าในกรณีของท่านปัญญวัคีปัญญวัคีนั้นท่านมีเขาเรียกว่าเป็นอัตวาทะ คือความเห็นว่าตัวตนเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนไม่แปรผันแต่ว่าตัวตนมาถูกขังอยู่ในกงรงขังคือร่างกายเพันจะต้องทรมานร่างกายให้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆเพื่อตัว ต, วตวนเนี่ยคือจิตเนี่ยจะเป็นอิสระแล้วก็เข้ากลุ่มกับธรมาต่อมัน หรือผุมมันหรือมาตมันก็แล้วแต่จะเรียกก็กลายเป็นความปักใจฝังใจที่สะสมอยู่ภายในใจของท่านมาเป็นเวลานานอย่างพระัญญาโกนธัญญาเนี่ยก็เรียกว่าไม่น้อยกว่าห้าสบปีบปีพระปพระพธิยามานามาสชิก็เรียกว่าอย่างบ่บอ ก, ก็สามสี่สิปีแหละ เป็นเหตุให้ท่านต่อต้านพระโพธิสัตว์เมื่อเปลี่ยนจากวิธีบำเพ็ญทุกขกรรยาคือธรรมานตนมาเสวยพระกรยาหารเพื่อบำเพ็ญเพียรทางจิตจนขนาดว่าหนีไปไกลมากแบบตัดเป็น ต, ตายกันทีเดียวเพราะเมื่อพระพุทธเจ้าส่งแสดง ประทงมเทศนาในครั้งแรกเนี่ยีท่านก็ยังติดอยู่ในอัตวาทัเวลาทรงแสดงอนัตตลักษณสูตรเนี่ยแสดงให้เห็นว่ามันเป็นการทำลายคิดจิที่นำไปสู่กาหะคือความยึดมั่นถือมัน่น แต่ตอนนั้นท่านบรรลุโสดาเป็นโสดาปติปนไปแล้วแต่ก็แสดงในลึกซึ้งลงไปว่าทั้งโลกและทั้งตนเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่เข้าใจตอนนั้นท่านก็บรรลุมากคอนเป็นประหารรับสั่งว่าเมื่อภิกษุเห็นอารมณ์นั้นด้วยปัญญาชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราอันนี้เป็นความเห็นชอบด้วยอำนาจของตัญหาเดิมนะเห็นชอบด้วยอำนาจคองตัหาพอทำความเข้าใจตามหลักอ น, นัตตะลักอนันสุท่านก็เห็นด้วยปัญญาณชอบว่ามันไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นเรา แล้วไม่มีอะไรเป็นตัวตนของเราก็ในที่สุดท่านก็ปล่อยวางได้เพราะเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีใครเป็นเราหรือเราเป็นใครแล้วก็ไม่มีาตาตัวตนของเราการละทิฐิเหล่านั้นการสลัดซึ่งทิฐิเหล่านั้น ย่อมมีได้โดยอุบายอย่างนี้ก็แสดงว่าพวกมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าผูกอันตรายกบทิฏฐิพูกนิยตมิจฉาทิฏฐิสามประการที่เห็นว่าการกระทำทุกอย่างไม่เป็นการกระทำผลทั้งหลายไม่ได้เกิดมาจากเหตุ แล้วสรุปแล้วว่าไม่มีทั้งกรรมไม่มีทั้งสังสารวัฏไม่มีทั้งสัตว์ที่ตายแล้วเกิดไม่มีทั้งพระพุทธเจ้าไปเสิยหมดเลยแต่พอถอดได้เนี่ยมันก็สามารถบรรลุมรรคผลได้มีข้อแม้ว่าศาบใดที่ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่เนี่ยมันจะมีฐานะเป็นหลักกอของวัฏฏ คือไม่ขยับเขยือนไปไหนหรอกเพราะความเห็นทั้งหมดนั้นไม่เป็นเหตุให้ท่านต้องลาบาปบาเพ็ญบุญเพราะถือว่าทั้งทำบาปทั้งทาบุญเนี่ยมันไม่มีแล้วก็ผลที่เป็นทุกข์เป็นสุขมือนก็ไม่ได้มาจากเหตุอะไรแต่สรุปแล้วก็คือไม่มีหมด ก็เป็นเรียกว่าดิ่งลงฝักใจลงไปในเรื่องเหล่านั้นแต่ว่าพระพุทธเจ้าสรงป้อนข้อมูลให้ใหม่ลองสังเกตท่านปณิเนคคีนี่ส่งป้อนข้อมูลสองประตรุก็ถ่ายถอนได้ทั้งหมดทำตัณหามาณทิชฌ์นี่ถ่ายถอนได้ทั้งหมด ผลความเห็นของท่านก็เป็นไปตามความเป็นจริงการสละเนี่ยมาก็ต้องพัฒนาพวกนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ต้องพัฒนาสมาทิฏฐิขึ้นมาทีนี้ความหมายของประการสําคัญเนี่ยคือการขัดเกลาการขัดเกลาทํานองคล้ายๆกับเราจะไอ้เรขัดไม้ก็ได้ขัดทองเหลืองก็ได้ขัดอะไรก็ไ ขัดไม้ดีกว่าจะเรากระายเอากระดาษทรายขัดไม้เนี่ยมันก็สึกกร่อนไปเรื่อยๆแล้วก็ไม้ที่ถูกขัดออกไปแล้วเนี่ยไม่ย้อนกลับมาทําให้ไม้ต้นเดิมเนี่ยมันเป็นตะปุ่มตะปำอีกต่อไปเพราะขัดออกไปแล้วดังนั้นจึงส่งแสดงถึงรูปใบชาสี รูปฌานสีคลาๆจับเป็นเครื่องขัดเกลาแต่ว่าในแง่เป็นจริงๆมันเป็นการสยบหรือสงบไว้ท่านั่นเองกิเลสมันก็ยังฝูก้นได้อีกเรียบร้อยหรือก้เทียบการขัดเกลาไม้มันก็ไม่เชื่อเพราะกิเลสที่ถูกสยบไปมันก็เกิดขึ้นมาอีก พะชาญเสื่อมก็เกิดขึ้นาหมกพิกบต์ที่เราขัดไม้ขัดไม้มันไม่มีทางย้อนคืนมาอีกดังนั้นต่ทรงแสดงไปเป็นลำดับว่าจุนท่าข้อ น, นี้เป็นฐานะที่จะมีได้แหละที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งในธรรมินนี้สงัดจากการมสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมมชจา มีวิตกวิจารปีติสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ปีสุนั้นจะมีความคิดอย่างนี้ว่าเราย่อมอยู่ด้วยธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสรับสั่งว่าแต่ธรรมคือปฐมฌานนี้แต่เราตถาคตไม่กล่าวว่าเป็นเครื่องขัดเกลาในธรรมินของพระอริย แต่เราตถาคตกล่าวว่าเป็นทิฏฐธรรมะสุขกวิหารธรรมคือเป็นธรรมะที่ทาให้บุคคลอยู่เป็นสุขในอัตภาพนี้เพรา ะ, ะไเพราะว่าปฐมชาตมันเสื่อมได้ก่อนที่ท่านจะตายท่านอาจจะเสื่อมจากปฐมชาตแต่ว่าตราบเท่าที่ปฐมชาตนยังมีอยู่ท่านก็อยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ปัจจุบันขณะที่รูปประชาญยังมีอยู่คือมีฌานย่างให้เสวาอยู่เนี่ยท่านก็เป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารแต่ไม่ได้ถือว่าเป็นการขัดเกลว์เอาขนาดนั้นนะฮะเรายังปีนปีนป่ายกันไปไม่ถึงเลยแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าไม่ใช่เรื่องขัดเกลว์เป็นแต่เพียงทําให้ใจเป็นสุขอยู่ในปัจจุบัน โอกาสเยื่อเสื่อมมันก็มีได้ประการต่อไปก็คือทรงแสดงทุติยชัถทงก่าวโดยสรุปก็คือวิตุวิจารหนับไปยังเหลือแต่ปีที่สุขกับเอกะกาตาทีนี้ภิกสุนั้นก็จะมีความคิดอย่างว่าเนี่ย แต่ว่าแม้ตุทียจารย์เองก็ไม่ใช่เป็นสันเลขาธรรมคือไม่ใช่ธรรมะเป็นเครื่องขัดกล่าวแต่ว่าเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารคือเป็นธรรมะที่ทำให้บุคคลอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเอามาถึงตัปทิยารย์อีกตัปทิยจารนั้นปีติซึ่งออกไปยังเหลือแต่สุขเวกคตา ผู้ได้บรรลุตัติยฌานก็อาจจะคิดว่าเราอยู่้วยทำเป็นเครื่องขัดกลาใจแต่ว่าพระองค์ไม่ได้ทรงแสดงว่าเป็นเครื่องขัดกลาแต่มันเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารนั่นเกลามาถึงเจตุตชานเจตุตจานนั้นแต่สุขก็สงบไปยังเหลือแต่อุเบคากับเอกกตตา สัมมวนที่ทรงแสดงนั้นบอกว่าไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ระดับโสมนัสโทมนัสเก่าก่อนได้ยูเบขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ที่สุขอาจจะคิดดึนัยยะดังกล่าวคือว่าเราอยู่้วยทำเป็นเครื่องกัดกราวแต่ความจริงก็ยังไม่ใช่ เพราะพวกนี้เป็นกุปธรรมคือกำเริบได้อย่างเราจะเห็นว่าประโสดาบันเนี่ท่านก็ขัดเกลาระดับหนึ่งแลเพราะกิเลยของท่านไม่กำเริบอีกอันนี้คือจุดต่างระหว่างฌานกับมัดของท่านไม่กำเริบอีกจะมากหรือน้อยนี่ท่านดับแล้วก็ดับเลยคล้ายๆกับเราขัดเกลาเอาไม้ ออกไปจากท่อนไม้จากตัวไม้เนี่ยมันก็ไม่เลยเกิดขึ้นมาอีกบนทิฏฐามาสศุกอ่ะไอ์ยตุติจารเองก็เป็นทิทธรามาสุขวิหารไม่ใช่เป็นธรรมเครื่องขัดกล่อนประการต่อไปอากาศสารนันจายะตนาซึ่งเป็นอรูปฌานพอผ่านยตุติจารไปแล้วก็เพ่งอากาศเป็นอารมณ์ ว่าอนันโตอากาศโซอนันโตอากาศโซอากาศหาที่สิ้นสุดไม่ได้ข้อนี้ก็เหมือนกันคือท่านที่ได้บรรลุอากาศสันจายตนาฌานกระบารูปอาจจะคิดว่ า, วาเวลานี้เราอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องขัดเกลา แต่ว่าพระองค์ไม่ได้กล่าวว่าเป็นสันเลกธรรมในธรรมวินัยของพระอริยะแต่ก็แสดงว่าเป็นสันตินะฮะเป็นสันติพอมาถึงอากาศส า, ารัญจานี่เป็นสันติเมื่อก่อนเป็นทิฏฐิธรรมสุ ข, ขวิหารทิฏฐธรรมสุ ข, ขวิหารคือธรรมที่อยู่เป็นสุขในปัจจุบัน พอมาถึงอรูปฌานก็เป็นสันติวิหารธรรมทำเครื่องอยู่สงบระงับคือมันสงบได้ลึกกว่าเดิมแล้วก็เสื่อมก็ยากกว่าเดิมแต่โอกาสจะเสื่อมมันก็มีได้เพราะยังไงยังไงเขาไปยังเป็นอุปธรรมอยู่คือสามารถกำเริบได้วิญญาณัญจาตนะ ฌานจึงเป็นรูปฌานที่สองข้อความเต็มที่ส่งแสดงว่าข้อนี้เป็นฐานะที่จะพึงมีได้ที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พึงล่วงเลยอาการสานัจาัตนาฌานไปโดยประการทั้งปวงแล้วมนาสิการว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดพึงรบรรลุวิญญาณนจาัจัตนาอยู่ ลิสุนั้นจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราย่อมอยู่ด้วยทำรรเครื่องขัดเกลากิเลสจุนทะแต่ธรรมคือวิญญาณัญจายตนะนี้เราตถาคตไม่กล่าวว่าเป็นสันเลกธรรมคือธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลาในธรรมอินัยของป ร, ริยะแต่ตาถาคตกล่าวว่าเป็นสันติวิหารธรรม ตือธรรมะที่ทำให้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันต่อไปรูปชาิที่สามหากินจัญญายตนะสารหมายความมาเพิกวิญญาณคือเลิงสนใจในวิญญาณเดียวก็เพ่งดูในสุดก็จะเห็นว่าในโลกนี้มันมีอะไรอยู่เพียงเล็กน้อยทต่นั้นเองหรือนิดหน่อย พอท่านได้บรรลุถ้าก็อาจจะคิดดังกล่าวว่าบัด น, นี้เรากำลังอยู่ด้วยสันเหขธรรมคือธรรมะเป็นเครื่องขัดกลาวแต่ว่าพระองค์ไม่ได้กล่าวว่าเป็นธรรมะเครื่องขัดกลาเพียงแต่เป็นสันติวิหารธรรมหรือสันตะวิหารธรรมก็สงบนะฮะแปลว่าสงบ ควาสงบจากกิเลสนันทีนี้เนวสัญญานานสัญญายตานาชาตเพราะไม่ใช่ไม่ใช่สันเลขธรรมเพราะเป็นการสยบกิเลตังแ่าวท่านผู้ได้บรรลุอาจจะคิดว่าท่านอยู่ด้วยสันเลขธรรม แต่ว่าพระองค์ไม่ได้กล่าวว่าอยู่ด้วยสเลกธรรมแต่มันก็เป็นสันตะวิหารธรรมคือธรรมะเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอยู่อย่างสงบนะฮะสงบเย็นในปัจจุบันทีนี้จากนั้นก็ส่งย่อยมาเลยส่งย่อยมาในพวกอากุศลกบฏสิรับสั่งว่าจุนทั เธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลากิเลสในพุทธศาสนานี้แล้วคือเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าสนเราอื่นจกเป็นผู้เบียดเบียนกันในข้อนี้เราทั้งหลายจกเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันเพราะในความไม่เบียดเบียนเนี่ยมันจะทาหน้าที่ขัดเกลาความเบียดเบียนสราบใดที่จิตไม่มีความเบียดเบียน ตนัมาความคิดเด็ดเดียนก็จะเกิดขึ้นอย่างไม่ได้ก็แน่นอนว่าในฐานะที่เป็นสามัญชนมันก็อาจจะชั ก, กเยอ่กันอยู่แต่พอสมบูรณ์นะพอสมากมันตะก็สมบูรณ์ตรงนี้ก็จะดับไปอย่างสิ้นเชิงเหมือนกันอย่างประโสดาบันเนี่ย โสดาบันการละเมิดศีลทห้ห้าเป็นอากุปธรรมคือไม่กำเริบหรืไม่ว่าอารมณ์ที่กระแทกกระทันกระทุง้งท่านก็ไม่กระเทือนแล้วก็พึงทำความขัดลกาว่าชนเราอื่นจกเป็นผู้ฆ่าสัตวในข้อนี้เราทั้งหลายจะงดเว้นจากปาธิบัติ ผลตอบใดที่ยังงดเว้นจากปนาธิบาตอยู่ก็แสดงว่าเจตนาเป็นเหตุให้ฆ่านั้นก็ถูกขัดเกลาออกไปแต่ว่าได้นานขนาดไหนมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพียงแต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งเขาคือสมากมรนตะพอสมบูรณ์เนี่ยไม่มีแม้แต่ความคิดคับ่า ไม่ต้องพูดถึงสั่งให้คนอื่นฆ่าหรือยกย่องสันเสริญผู้ฆ่าในความคิดจิตยา่าก็ไม่มีทีนี้งดเว้นจากอธินาทานอันนี้ก็เป็นธรรมะเครื่องขัดเกล่ามหมายความว่าตราบใดที่ยังงดเว้นอยู่หรือยาเจตนาเจตนาที่จะลักขโมยเนี่ยมันไม่มี ความคิดที่จะลักขโมยนี่มันไม่มีในนอนสมาธิทั่วไปก็อย่างเป็นเป็นการชักก็เยอะกันอยู่นะแต่มันก็ดับได้ด้วยความสมบูรณ์ของสมาคกมันตะในสามสี่ข้อนี่นะสมบูรณ์ด้วยสมากมันตะแล้วทีนี้การเสพเมตุนธรรม มันก็เกิดขึ้นยากแรงกัะตุ้นของราคะทีนี้เมื่อขัดเกลาจิตด้วยการไม่เสพเมธุนธรรมก็แ น, น่นอนแหละทันต่อไปถึงโน้นแหละจนถึงราคามีก็แสดงว่าขัดเกลาออกไปอย่างสิ้นเชิงราคาในอารมณ์โลกเนี่ยมันถูกดับไป เเรว ก, การมราคะคือถูกดับไปโดยการอาศัยการประพฤติปรมาจั๋นปรมาจัย์ในที่นี้เน้นไปที่การงดเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์นะครับประการต่อไปก็คือเธอทั้งหลายพึ่งทําความกับเราว่าจนเราอื่นจะ ก, กล่าวเท็จในข้ อ, อนี้เราทั้งหลายจะงดเว้นจากการมุสาวาด มุสาวาสนั้นเป็นการพูดที่วิปลาสคาดเคลื่อนจากความจริงไม่ตรงตามที่เราสัมผัสไม่ตรงตามที่เราได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาอาจจะเสริมความอา จ, จะอําความแต่เราเองจะดํารงศักดิอยู่ทีนี้ถ้าศักดิยังดํารงอยู่สาบใดเนี่ยความคิดที่จะพูเ้เจ็บมันก็ไม่เกิด อันนี้ก็เป็นเครื่องขัดเกลาวแล้วก็ให้ทำความขัดเกลา ว, ว่าคนอื่นจะกล่าวสอเสียดคื อ, อยยโยงให้เกิดความแตกแยกแต่เราก็จักไม่กล่าวคำส่อเ ส, สียดหรือว่าคนอื่นก็จะกล่าวคำหยาบแต่เราจะไม่กล่าวคำหยา ให้ลองสังเกตว่าแต่ละข้อเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตสํานึกที่ดีงามของบุคคลผู้นั้นเองพระเจ้าก็ทําได้แค่สอนพระสงฆ์เองก็ทําได้แค่สอนแต่วผลจะเกิดความเปลี่ยนแปลงภายในจิตมันก็อยู่ที่ท่านทำโดยตัวท่านเองําหยาบส่วนใหญ่มันจะเกิดจากโทสะ จอาจจะเกิดจากรฤทธิ์ียจะเกิดจากแข็งดีจะเกิดจากมานะหรือจะทำทีมานะก็ได้นะก็แล้วแต่สรุปว่าเมื่อเราตั้งใจงดเว้นได้โดยเด็ดขาดตราบนั้นความคิดที่จะกล่าวคำหยาบมันก็ไม่เกิดแต่นี้คนลรอื่นเขาจะพูดเขาเจอแต่เราเองตั้งใจจะไม่พูดเพื่อเจอ อันนี้ก็เป็นส่วนของสัมมาวาจจะความสมบูรณ์เต็มที่ก็คือความสมบูรณ์ของสัมมาวาจจะกตองเราเห็นได้ชัดว่าเป็นอริยมรรคคือสัมมาวาจากับสัมมาไม่ใช่สัมมากัมมันตะกับสัมมาวาจาประการต่อไปนั้นหรือคนเราอื่นเขาอาจจะ เพ่งเล็งโลภอยากได้ของของบุคคลอื่ น, นแต่ว่าเราเองจะไม่เพ่งเล็งโลภอยากได้ของของบุคคลอื่นอันนี้เป็นมโนสุจริตละลึกลใหญ่ลวเพราะว่ากิเลสประเภทนี้ที่ทำได้เด็ดขาดเนี่ยมันจะต้องไประดับพระอนาคามี แต่ว่าระดับพระโสดาบันเองท่านก็ไม่คิดเพ่งเลงโลภอยากได้อะไรของใครเหมือนกันเดนมันก็เป็นทะเลค่ะคือเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาพิเลออกไปจากจิตใจแล้วก็พึงขัดเกลา ว่าคนเราอื่นจะมีจิตยพยาบาทในข้อนี้เราทั้งหลายจักไม่มีจิตยพยาบาทจะไม่มีจิตยพยาบาทก็คือด้วยการจเจริญเมตตาเมื่อเจริญเมตตาเมื่อเมตายัางคุ้งครองจิตใจรักษาจิตใจความพยาบาทก็จะไม่เกิดขึ้น ทีนี้เมื่อคนทั้งหลายให้เธอทั้งหลายทำความกัดเราว่าชนเราอื่นจักมีความเห็นผิดในคร น, นี้เราทั้งหลายจักมีความเห็นถูกเพราะเห็นเท็จถูกอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันถ้าเราเห็นชอบระดับถรือว่าการกระทำเป็นการกระทำารือว่าผลทั้งหลายมาจากเหตุ เตดีผลดีเหตุไม่ดีผลไม่ดีแล้วก็มีความเห็นชอบตามทํามนองครองธรรมจึงเห็นว่าการให้ทานมีผลการบูชามีผลพฤติกรรมต่างๆมีผลพ่อมีคุณแม่มีคุณการกระทำทั้งนี้ลังช่วมีผลพ่อมีคุณแม่มีคุณโลกนี้มีโลกหน้ามีสัตว์ที่ตายแล้วต้องเกิดกอีกมี การที่รู้แจ้งโลกนี้แล้วสอนบุกคลอื่นรู้แจ้งตามนั่นเองไอ้นี้ก็จัดเป็นสมาธิระดับพื้นฐานเพราะว่ามันไปยึดโยงอยู่กับกรรมกับสังสารวัฏแล้วก็กับการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ทีนี้ต่อไปก็เป็นการพูดถึงสมาสัมาสังกัปปะรับสั่งว่าเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าส่วนเราอื่นจะมีความดำริผิดในข้อนี้เราทั้งหลายจะมีความดำริตู เกณของความดำริถูกนี่คือความคิดนั้นจะต้องมีปัญญาเข้ากำกับแล้วผลจากการคิดจะไม่ทำจิตใจเราให้เราร้อนแล้วถ้าทำพูดออกไปตามที่เราคิดก็จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่น อีนี้ก็ทำความปัะกาศเราว่าส่นเรอื่นจากมีวาจาผิดอันนี้ก็ด้านตรงกันข้ามานะวาจาผิดก็คือมิจฉาวาจามิจฉาวาจานั้นก็ตอนนี้รวมหมดทางพูดเท็จพูดถอเสียดพูดคำหยาพูดเล็วไหลเราก็จะไม่ เราจะใช้วาจาที่ถูกต้องคือพูดคำสัตย์คำจริงตามที่เราสัมผัสมาพูดส่งเสริมสามาคัคคีประสานสามัคคีกระชับสามาคัคคีมีวาจาที่ไพเราะอ่ อ, อนหวานแล้วก็ประกอบด้วยสารประโยชน์นี่ก็ชื่อว่าเป็นวาจาที่ชอบ ล้าสังว่าเธอทั้งหลายปึงทำความกัดเกลา ว, ว่าจนเราอื่นจกมีอาชีพผิดในข้อนี้เราจะมีอาชีพที่ชอบคือธรรมะเ ป, เป็นเรื่องเฉพาะตัวใครต้องการจะขัดเกลาจิตใจของตัวเองก็ขัดเกลาไปแต่ก็ถึงจุดหนึ่ง ก็จะเห็นการจางไปคลายไปบรรเทาไปดับไปของกิเลสเพรา น, นสิ่งที่ต้องขัดเก่าคือผู้เฉพาะกิเลสนะตัวเฉพาะกิเลสไม่ได้พูดเรื่องขัดเกลว์ธรรมะเอาธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลว์กิเลสแล้วก็จนเราอื่นจักมีความ พยายามผิดคือมิจฉาอาชีว่าไม่ใช่มิจฉ า, าวยมามเราเราก็จะพยายามในทางที่สองก็เพื่อพยายามป้องกันบาปพยายามรับบาปพยายามทํากุศลให้เกิดขึ้นพยายามรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็ทํากันจนกว่าจะสมบูรณ์แต่เมื่อไหร่เมื่อไรมัก็ไม่รู้ คือเรารู้ได้ใจของเราว่ามันสมบูรณ์ลรวอย่างสามารถพยากรณ์ตัวเองได้ว่าจะเป็นยังไงก็ข้อต่อไปก็คือในขณะที่ชนเราอื่นเนี่ยตั้งสติไว้ผิดคือระลึกผิดเราก็จะตั้งสติไว้ในทางที่ชอบ หมายความว่าจวไม่ให้เผอเรอหลงลืมพลั่งพลาดเลอะเลือนเหมื่อลอยไปด้วยประการต่างๆและคนบางพวกก็จะมีสมาธิผิดแต่เราก็จะมีสมาธิชอบก็ใช้สมาธิชอบเนี่ยขัดเกลาสมาธิที่ผิดทีนี้จนถึงคือมันผิดรวนมาอย่างนั้นมันเป็นเราเรียกว่า มิจฉาตะสิก็ตามไปโน้นมาแหละมิจฉาทิิทมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากรรมันตะมิจฉาทีว่าว่ามาเรื่อยจนถึงมิจฉาสมาธิพอมาถึงญาณเนนะี่ยซึ่งเป็นตัวตัวมรรคจริงๆมันก็เป็นมิจฉามรรครัพอมันเริ่มมาจากมิจฉาทิิท มันก็กลายเป็นญาณคือความรู้ที่ผิดความรู้ที่ผิดนี้โอกาสเกิดง่ายเหมือนกันผนปัญญาถ้าไม่ชัดเจนแจมแจง้งพอและแยกไม่ออกถึงสภาวะของจิตที่เกิดญาณขึ้นมาอาจจะลงผิดเข้าใจผิดวันนี้คือทางที่ถูกต้องกระได คน ก, ก็ต้องทำยานให้ตั้งแต่สมาธิมาเนี่ยให้มันดีมันก็จะเป็นสมัยยานแต่ตอนนี้มันก็เป็นมิจฉายานไปพอมิดเป็นมิจฉายานมันก็เป็นมิจฉาวิมุตต์คนต้องขัดเกลามิจฉาวิมุตตออกไปแต่แน่นอนสองอย่างนี้มันเป็นเหตุไม่ใช่เป็นผลจะเกิดขึ้นก็ต้องขัดเกลาเหตุ พอถ้าเราเริ่มต้นถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็จะถูกต้องถ้าเริ่มต้นที่สมาธิมันก็เป็นสมาสังกัปปะสมาวาจาสมากามันตะมันก็เดินมาอีทางถึงจุดหนึ่งก็เป็นสมาญาแล้วก็สมาวิมุตต์คือกิจที่หลุดพ้นในทางที่ชอบทีนี้ประการต่อไปก็คือ เธอตั้งหลายพึงทำความกัดเราว่าวนเรา อ, อื่นจกถูกทีนมิธะรุ่มรุ่มความง่วงเหงาหามนอนซึ่งซึงหงายเหงาหดถูเครื่เพิ่มเกิดชื้ชาเย็นเหนื่อยหน่ายอทอถอยสิ่งเธอก็ต้องพยายามขัดเราอาการของทีนมิธะ ปีดำพิทาเนี่ยค่ะเราดพวกความเนนะพียรนะพวกอย่าทํากิเลสโหดโห่พวกปรกกรมะคือความบากบันอุสาหโหคือความอุตสาหะบริยานามภาคคือปรารบความเพียรเพิ่มความเพียรให้เพิ่มขึ้นทีนี้บางคนเนี่ยมันก็ถูกครอบงำด้วยความฟุง้งซ่านก็เราก็พยายามเห็นโทษของความฟุง้งซ่านแด้ก็ขัดเรา บางคนก็มากไปเ ร, รื่อยจีกิสาความครื่นแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในใสยสิขาในอดีตอนาคตตั้งอดีตอนาคตในกฎของปัจจยการแล้วก็พยายามขัดเกลว์พวกความครื่นแคลงสงสัยเหล่านี้ออกไปจากจิตใจจากนั้นก็ทรงย่อยนะกล่าวโดยสรุปไม่ง่ายก็คือว่าให้พยายามขัดเกลว ความโกรธออกไปจากจิตการขัดเกลาความผูกโกรธออกไปจากจิตขัดเกลาความลบหลู่คุณท่านออกไปจากจิตพวกนี้ก็อยู่ในกลุ่มของอุปกิเลสสิบหกเราก็เคยผ่านมาสองสูตรแล้วและขัดเกลาความริษยา เย็นคุณคนอื่นได้ดีแล้วก็ทนอยู่ไม่ได้แล้วก็ขัดเกลาความเสนีหออกไปจะจิตใจแต่เกลาความโอ้อวดความมีมายาความดื้อดึงการดุ ม, มินท่านเป็นผู้ว่ายากสอนยากแล้วก็มีมิตรชั่ว จนถึงคนอื่นเขาประมาทเนี่ยเราก็ขัดเกลาความประมาทออกไปแต่วิธีการในลองสังเกตว่าเขาทําดีเนี่ยเราก็เอาเป็นต้นแบบได้ในการดําเนินตามถือตามปฏิบัติตามพอเขาทำชั่วเอา้าเราก็เอาเป็นต้นแบบได้ว่าไม่เดินตามคนเนี้ยนั่นเป็นวิธีมอง วิธีหาประโยชน์แบบพระพุทธศาสนานี่คือว่าเราก็หาได้ทุกอย่างประโยชน์เพิ่งเกิดขึ้นในที่ใดๆโดยวิธีใดๆก็พยายามใช้ความพยายามในที่นั้นๆโดยวิธีนั้นๆทีนี้ส่วนเราอื่นจะเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเราทั้งหลายก็จะเป็นผู้มีศรัทธา ก็ไปคนละทานแต่ว่าเราเห็นโทษของการไม่มีศรัทธาจากคนอื่นว่ามันเป็นโทษเป็นภัยเป็นอันตรายเราก็ไปอีกภากหนึ่งอนะเราก็ไปเป็นผู้มีศรัทธาแต่ว่าจนเราอื่นจากไม่มีหีดรย คือไม่มีความละอายแก่ใจไม่มีความลายต่อบาดไม่ได้ประรบถึงชาติสกุลไม่ประรบถึงวัยไม่ประรบถึงการศึกษาจิตใจที่อ่อนไหวไปกับอำนาจของกิเลสแต่เราก็พยายามที่จะขัดเกลา ความไม่ละอายแก่ใจเนี่ยต้องเรียกว่ า, าฮิริกะคือความไม่ละอายแก่ใจในจางไปคลายไปบรรเทาไปจนถึงก็หมดสิ้นไปนี้ก็จะเป็นสันเหลกครัทีนี้คนบางพวกไม่มีอตระปาเขาเรียกว่าอนุตอนุตระปาคือไม่มีความสนุกโอตระบา เราก็พยายามขัดเราความรู้สึกตนนี้คนเราอื่นก็มีสุตะน้อยเราก็เห็นว่าเป็นโทษเราก็พยายามศึกษาสลับจะฟังให้มาทีนี้ในขณะที่ชนทั้งหลายพึงทําความเธอทั้งหลายพึงทําความขัดเราว่าชนเราอื่นจากเป็นผู้ ไม่มี่มีสุตะน้อยแต่เราก็ต้องมีสุตะมากคือเป็นผู้สูตรศึกษาสลับสลับฝังมากมีประสบการณ์ตรงทางประสาทสัมผัสมากแล้วก็ทรงจาเรื่องราวต่างๆไว้ได้มากเรื่องบางเรื่องกฎเกณฑ์สูตรหลักมีความแม่นยำจำได้ แล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นมาคิดมาเพ่งพินิษ์มาพิจารณาจนถึงการขบเจาะโดยทิฏฐิคือความคิดความเห็นของตนก็จะสิ่งเหล่านั้นตามความจริงคือมีเรื่องที่น่าสนใจวันก่อนนิยมผู้หญิงอากนสองคนเป็นนักปฏิบัติธรรมด้วยกัน เออพอคุยธรรมะนี่ปรากฏว่าเวลามันไปไเยอะเลยก็เขาเล่าถึงการปฏิบัติสิ่งที่เขาสัมผัสในขณะที่ประมินสมาธิได้เห็นสิ่งนั้นได้เห็นสิ่งนี้ได้เห็นสิ่งโน้ น, น, น, อ, น อ, ะ อ, อะไรต่างๆมันก็แสดงให้เห็นว่า จะเป็นเพศอะไรก็ได้หึ่งใครก็ได้จะตามมาอยู่อย่การปฏิบัติผลตั้งหลายเกิดขึ้นได้ทั้งหมดแก่คนทุกคนที่ปฏิบัติถึงจุดชีพผลเหล่านั้นจะเกิดว่าการเป็นพระอราหันต์การเป็นอะไรที่เราบุ้นบุ้นกัอยู่เวนี่ที่เรียบร้องการเป็นภิกษุณีเี่ย แล้วก็พยายามที่จะฝ่าวฝืนบทปัญญาของพระพุทธเจ้าเป็นปัญหาด้านวินัยโดยไม่ได้มองถึงสาระสำคัญจริงๆว่ามันอยู่ที่การทำหน้าที่ขัดเกลากิเลสมันมีรูปแบบหรือเปล่าคุณต้องเป็นผู้หญิงคุณั้นเป็นผู้ชายคุณต้องเป็นคนรวยคนจนมันไม่ได้เกี่ยวเลยเลยมันอยู่ที่การใช้สติสัมปชัญญะความประหยัด มองเห็นโทษโดยความเป็นโทษที่ชัดเจนมองเห็นคุณโดยความเป็นคุณที่ชัดเจนแล้วก็ขากไฟในส่วนที่เป็นคุณงดเว้นในส่วนที่เป็นโทษพอถึงยุดหนึ่งมันก็เราก็ได้เป็นอย่างที่คนอื่นก็เป็นนะเดี๋ยวนี้คนบางคนนี่เขาไปเอาไปคือปฏิบัติแล้วก็ไปได้ไกล ไปไ่ไกลจนน่าซึ่งทีเดียวนะนั่นก็หมายความว่าในการจะเดินศีลสมาธิปัญญานั้นไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นพระหรือเป็นชาวบ้านแต่ว่ามันมีการขัดเกลากิเลสโดยนัยดังกล่าวได้หรือไม่ถ้าขัดเกลาไม่ได้เป็นพระก็มีสิทธิตกนรก แต่โยมขัดเราได้โยมก็มีสิทธิจะเกิดในสุกติจะเกิดในพรหมโลกจะบรรลุมรรคผลในผ่า น, นปัญหาสำคัญว่ามันมีกุศลซึ่งมีกำลังมากแล้วก็ขัดเราเอา ก, กุศลหายจางไปคลายไปจากจิตใจโดยลำดับเป็นประการสำคัญต้องฟังเท่าไหร่